ก็มีเสียงพูดได้บ้างย่างหูฟังเสียงมัค่อยจะดีแล้วมาถือพวกเรามาสู่ธรรมวินยัยพูยียงไม่มาขอให้ามามาแล้วอยู่เป็นสุขมีสติคือธรรมรินัยของพระพุทธเจ้า เป็นาศาสตราแทนทระพระเจ้าพ่อเช่นนี้พวกเราจังไม่ใช่ใครแตกหน้ามีแต่ญาติเพืได้เห็นไม่พบกาทตาไม่ไหนบอกว่าอย่างนี้แต่มาที่นี้หายเจรงโลงอเอตัดแต่ที่อยู่แต่ใจอะเอตัดครับกายอยู่ได้ครับใจ อย่าให้มันขับใจแล้วพออยู่กันได้นะ้องเป็นถนนอนมากอยู่สลาหน้าก็มีเป็นร้อยทียนี้ก็มีเป็นร้อยสองร้อยนะี่น้อยก็มาจากเกาะศรีสัง่งมาจากเกลไกย์ไม่ใช่เกยที่ใดอรามีแต่ยากาัน พุทเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วโลกนี้ตัจจรูดชอดด้วยพระองค์เองไม่มีใครเกินครูของพระองค์พร้อมทำประธรรมกรรปฏิบัติทําให้เกิดพุทธเจ้าขึ้นมาทําอย่างนี้อย่างนี้เป็นปฏิบัติธรรมมาพร้อมกับ ก, กาต า, าัตจรูแต่ตอนนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าและพระธรรม เดินทางจากพุทธคยามาถึงาพาราสีวันนี้ทีเเดินทางอยู่ทั้งหนึ่งเดือนหลังจากการตัดสูุวันเป็นเดินนถกเสวยบุติจุกจูจีบจังโัรนสีอาทิตย์เป็นเวลาหนึ่งเดือนพอดีเอาเดินทางมาสามรอยกมมาถึง ที่จีปตนะมลึกะาาจวันเมืองพราณศีเราก็ไปตามวอยยุคนบาดมาแล้วนั่งรถก็ใช้เวลาตั้ง8ชั่วโมงถ้ารถไม่ติดถ้ารถติดก็ส0กว่าชั่วโมงทูอองก็เดินทางด้วยฝ่าพระบาทของของเองก็จะรู้ว่าที่ฝ่า มาแจงทาข้อที่ป่าไม่มีหนังคามองเหมือนเราอยู่ลวมากกว่าเรานี่เรียกว่าป่าอิสิตปตนะมฤคธาย ว, วันมาพบปัญจคีอาทิตย์ก่อนประมาณสองวันมาใช่ดอาทิตย์ก่อนประมาณวันซืนนี่แหละปัญจคีหนีจากเกดไม่ยอมรับ หาว่าสัมนากมากปฏิปธรรมแบบปกิจไม่จริงข้าวกินล่ามาตั้งหกปีแล้วมาจริงข้าวเนี่ยก็เห็นว่าเป็นสนัมนารมากๆล้ประกันหลังเกียดต่อผู้เจ้าเดินมาถึงก็พากนันหนีจนมาถึงอิศิปฏิทันเรือรทายวันพูะเจ้าก็เดินตามมาอีก ประมาณสี่กมหลอนตาก็เดินตามรอยนี่มาเหมือนกันมาพบเข้าวันนี้วันพรุ่งนี้เนาะนัเนเดือนเจ็ดเดือนเตืนเดแปดในวั น, นพรุ่งนี้มาพบเป็นปัจจวิันนั่งสนทนาทากันอยู่ฟางแค้์โดยเจ้าก็เดินเข้าไปหา คนปัญญาภามบอกว่ามาอีกแล้วตามเรามาอีกแล้วสำนึกมากๆากพวกเราไม่ต้อนรับก็ได้ดอกแต่เรามาต้องลุกนีละ่ะนั่งอยู่นี่แหละประสงค์จะนั่งก็ตามใจไม่ประสงค์จะนั่งก็าทางใจไม่ต้องไปสนใจไม่จะต้อนรับเราเลยนั่งคุยกันเล่น พระเจ้าเดินมาใกล้เข้ากรธยาพามเป็นผู้ใหญ่กัวพามอีกสี่รูปนั่นเพื่อทำนายลักษณะมาแล้วเป็นพรมหนุ่มสมัยโ น, น้นจนได้รอว่าจะได้จัสรูปพระเจ้าก็มีศรัทธาอยู่เต็มที ก็ลุกไปปูอาสนะไว้ผสมเจริญนั่งก็ น, นั่งไม่ผสมเจริญนั่งก็ไปนั่งก็ได้ไปปูอาสนะนั่งไว้ยว่อกเดินเข้าไปนั่งอาสนะนั่งเขาสแสดงธรรมดูก่อนดูก่อนปัญวัคชีจวนให้ฟังสักหน่อยส่วนคนัญยาก็ห้องมองหังง ห, หน้ามาใส่ เขาเรียกว่าปัญจพีคนทยภาทผาองหน้ามาตางองทรงนั่งอยู่แล้วก่อนปัญจพีเราไม่เคยรู้เราวนี่มาก่อนปัญญาเกขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นเอาเลยจัดจะรู้แล้วพอได้เาาดิ็นก็ว่าตัดจะรูคนทาย า, าก็สนใจ ยังหัวฟังจนว่ปปะปฏิยะมหานามะอาสชิไม่สนใจเล ย, ยข้างข้างๆให้อยู่จนวงและดแสดงามเป็นลำดับไฟเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดมาหกปีใช่ว่าอัฏฐะชีมทายโยกกรรมขันธุกายโยเป็นทางที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ข้องแวะต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหลวงพ่แสดงไา้จะมาถึงเปลี่ยนวิธีการทำมาจะมาเข้าถึงอ่ะอันนั้นตาลัษนาสูตรประกอบ ด, ด้วยฤาษีต่อไป จนกันทนย า, าพามได้ตัวายเหอนทำเกิดขึ้นแสดงไปตามลำดับในการเดินทางในการผิดการถูกเป็นธรรมดาเราทำมาก่อนได้รู้มาแล้วมาถูกอริสัตย์สี่อคยมีทุกมีเหตุให้เกิดทุกมีความดับทุกดับทุ ก, ดทกได้แล้ว เป็นที่จะดีที่ยอดเยี่ยมไม่ต้องหาที่จะดีนะที่ได้แล้วการศึกษาชีวิตเหล่านี้เอากายเป็นตำลาเอาจิตใจเป็นตำลาเอาสติเป็นนักศึกษาเข้าไปเจิญคนเรยียพางได้ตวงตาเห็นธรรมมารูแล้วรูแล้วมีเครื่ององค์พูด ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงชีวิตไม่เป็นของเป็นโทษชีวิตมันใช่โจรใช่โตนโรกตามนี่ร่างกาจิตใจมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจ็บตายตายอ่างกายใจนี่มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายตายมันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติในดวตงตานั้นนําเกิดขึ้นรู้แล้วรู้แล้ว แต่ความชื่อคนตัญญา์าพอว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหนอรู้แล้วหนองรู้แล้วรู้แล้วเลยชื่ออัญญาอัญญาแต่ว่ารู้แล้วัญญาคนตัญญา์าเป็นประสงค์เกิดขึ้นในวันเป็นเดติตไปไปนั่นเราจรึงมาตามรอยุอคนบาต ท, ทําแบบเดียวกับ ผู้ตองเลยทรงเห็นธรรมรัตตุูกมาเร่ว่าภาวนาหรือกรรมฐานนี้ส่วนธรมธรมตาเกิดเกิดก่อนธรรมรวัดมิปจานี้หลายพันปีมาแล้วหรือฤาษีมมนีนั่งเชียนนั่งหนามตอบที่ฝนตากแต่บ้างมีเสื้อผ้าก็ไเลยทำมาแล้วเป็นอัฏฐิมสาโยก มาช่วยทางต้องมาบาเพ็ญทางจิตใจมีกายมีใจนี้ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนี่เกิดเป็นพทธเจ้าขึ้นม า, อาสอนบนรรจวิคีได้ตวงตาเห็นธรรมทักบอดจะได้สวสดสัมมาสัมพทุทโธเป็นตรัสรู้และสอนกึ่งลู้ตามมาแน่นอนแล้ว สิ่งที่เราตัดรูปไม่เป็นหมันมีคนรู้ตามน้ำว่าพระธรรมพระธรรมนี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้รูปปฏิบัติต้องทําด้วยตนเองอาศัยคนอื่ น, นทําให้ไม่ได้ศึกษาด้วยตนเองให้ผลได้ปฏิบัติได้ เชิญให้มาดูมาดูซิมาทันดูซิผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในทางที่คนรู้คนเห็นได้ตามทุกวันเจ้ผู้ปฏิบัติเราจึงเป็นเรื่องของเราไม่ต้องไปเชื่อใครเ่็นเรื่องการกระทําของเราถ้ามันหลงก็รู้นะไม่มีใครหลง ไม่มีใครรูให้เราเราหลงเองเราก็รู้เองน้องมีสติเราก็ประกอบพอเองไม่ต้องของยเรามันหลงเราก็เปลี่ยนความหลงก็รู้ได้นี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ลี้ขีชีวิตของเราได้แน่นอนไม่ต้องอ้อนวอนอะไรเอาครั้งกระทำ เรื่อกรรมฐานนี่พระพุทธเจ้าเรารอสอนได้แสดงเรื่องนี้ตั้งหวางวันเพลนเดือนแปดถึงกลางเดือนเพลนเดือน3ามเวลาแปดเดือนเนี่ยได้ีิสูจน์ดูสอนลองนี่ดูมีผลานเกิดขึ้นหนึ่งนสองรลูกคือแน่นอนแล้วเดือน8เดือน สอนเรื่องกรรมฐานเรื่องเดียวผู้คนเกิดขึ้นมาหนึ่งพันสรลูกพระกตอยู่ที่แสดงโอวาทแสดงพรโมกอยู่ที่เวรวันของเราจะคืนกลับไปนวดอีกพระหนึ่นองร้อยห้าลูกนี้นับตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ถึงวันเพ็ญเดือน3นี่8เดือน มีแต่พระกินาศเป็นประหานทั้งหมดการบิดกับพระเจ้าเอกภูติจอมบัติาทั้งหมดในยแสดงเอาว่าปฏิโมยวันเป็นเดนสามนั่นะ่ะเรามีหลักฐานอย่ังนี้ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่ม5จึงมีผลมีมักมีผลแน่นอนพวกเราผู้เชื่อฟังคมสอนของพระเจ้า ให้ปฏิบัติชอบตามทําในนี้เรียกว่าหมูชาวพุทธบริษัทเคยเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาจนถึงพวกเราตัวนี้พระสงฆ์องคแรกคืออักษ์พทธญญาะพระปัาติกยะมหานามะห้าลูกก็ไปตั้งนี้ยาศคาุณ ร, ระโสดพ้อหมอทวาเอีก สี่้าคนมาฟังธรรมพุทธเจ้าอยากพ่อแม่ยาศัตามหาให้ศักดิ์คนบุตรออกหนีจากบ้านมาั้งคืนมาตามรอยมามาเห็นอยู่ที่ป่าอิสิปัตรงมฤตชายวันเหนือลองเท้าวางอยู่ จำได้ว่ารองเท้าลูกชายของตัวเองก็ตางเข้าไปอนยศศากุณ์บนรฟังทมอยู่ก็เลยไปร่วมฟันทาด้วยได้ตยแรงใจนั้นทำเป็นอุปจกวาจิกาคนแรกในระหว่างนิมนตพระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านรองทท้ง พ่อแม่ทั้งพัรยาของยาศาส ต, ตร์หนบุไม่ถึงตายฉันทำเป็นพุทธบริษัทเกิดขึ้นมาจนพวกเราทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่มีรักษาดันไล่จเกิดเป็นพุทธบริษัทจะมาขยายมาสู่วังไทยเราพวกเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้งาที่สู่กันดูเป็นเรื่องของเราทุกชีวิต เราหลงเองเราก็รู้เองเราทุกเองเราก็รู้เองมันต้องมีสิ่งที่เปลี่ยนได้อยู่มันเปลี่ยนได้มันปฏิบัติได้ชีวิตของเราเป็นของเป็นมนุษย์สมบัติําดีได้รับความชั่วได้มีสิทธิ1้อยเปอร์เาก็เห็นกันอยู่คนที่ทับังอาจเป็นกฏยังไงก็ไมประมาทเป็นกฏยังาย ตอนเนจียกข้ามรขาทำงานเราเห็นกันอยู่ชีวิตเหมือนกันมีการมีใจหมือนกัศไม่ใช่เราไม่เห็นบางคนไม่มีโอกาสเดินตามถนนทางอยู่ในตรงไอ้ป่าราเป็นคนชั่วจุบกบสังคมไ่าได้เราเห็นกันอยู่หรือมีเวลา ได้แล้วท่านก็ประสิตคุกจิตลางก็เป็นคนชั่วเพราะบาปกรรมพวกเขาทําไม่ดีแล้วก็เป็นคนดีเดินไปไหนก็ได้ในโลกนี้ถ้ามีโทษนี้ภัยมีคนส้อนรับขอบสู้ไปทำในทิแต่มีสิ่งป้องกันได้ทั่วโลกถ้าเราไม่ดีแม้จะอยู่ในบ้านเราก็อยู่ไม่ได้เราเห็นกันอยู่ คนเจียดข้านมีเลือดสันอย่างไรก็เป็นก็ทุกข์คนยากคนลําบากไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเป็นคนเกียดข้านถ้าเป็นคนก็อหยันก็หาทรัพย์ได้มีอยู่มีจินไม่ลําบากเลี่ยงลูเรืร่องหลานได้ถ้าคนเจียดข้าเข า, าที่เที่ยวเองก็ไปได้แล้วเราเห็นอยู่คนดีเป็นยังไงคนทั่ยวเป็นยังไง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 เป็นคนล้ายังเปลี่ยนเป็นคนดีได้จนเป็นพระอรหนันต์ได้มีตัวอย่างอย่างนี้เร า, าปฏิบัติไอย่างนี้นี่คือเพื่อทาคำสนอนคนเล่นการพนันเป็นยังไงมันก็ไม่เฉลิบกินเหล้าเป็นยังไสุบูรีเป็นยังไงก็มีโทษหนี้ภัยเกิดโรค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 มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราศึกษามันดูเราก็มีความรู้ษาเดี๋ยวเวลามันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้มันเปลี่ยนได้อันหลงเป็นอีกอันหนึ่งความรู้เป็นอีกเรื่องหนึ่งสัมผัส ด, ดูอย่าไปเชื่อใครหรือเวลามันโกรเปลี่ยนความกรธเ็นความไม่โกรลองดูทําได้ไหมถ้าทำมาได้มันก็ไม่มีคุณค่าในชีวิตเรา ก็มันทุกก็เปกยดก็ทุกข์ก็ไม่ทุกกันเนี่ยปฏิบัติธรรมทำหนันี้เอาใจไปอ้อนวอนเอาใส่กลางธรรม้องเราแท้ๆเดือนปสิ่งที่วางได้สิ่งที่หยุดได้สิ่งที่เย็นได้ในชีวิตเหล่านี้มือห้านิ้วสิบนิ้วนี้มันทําประโยชน์ก็ได้มาสร้างโทษก็ได้แล้ก็อยู่กับเรานี้มือห้านิ้วสินิ้ว ไม่ใช่ตาขอมาจากใายมีการมีใจเพื่อทำกบดีได้แต่บางชีวิตไม่ศึกษาไม่ดูแลแตัวเองมีการมีใจไปทำความชั่วก็ได้ในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทาก็ดีมันมีประโยชน์หลายถ้าผัวดีเมียก็มีความสุขเป็นประโยชน์จากนั้นถ้าเมียดีผัวก็มี โอ้มีความสุขถ้าผัวดีเมียก็มีความสุขถ้าเพื่อนดีเพื่อนก็มีความสุขถ้าญาติดีพี่นอ้องดีลูกหลานดีแล้วก็มีความสุขมันเป็นผลกระทบอย่างนี้จึงเรื่องบุญค้ำจุนโลกมาทําดียมาเปี่ยนความร้ายเป็ความดีอย่างเนี้ยไปต้องอาศัยอะไรอาศัยการทําของเรามาประกาศนั่นจะได้เห็น มันมีอันกระทําอยู่มาใช่มันไม่มีความหลงมันเอาไปฟรีความทุกข์เอาไปฟรีความโกรธเอาไปฟรีมันเตี่ยได้อยู่อยาให้ไม่เอาไปฟรีเราใช้ีวิตไปถึงมันนี่มันหลงหรือมันรู้ล้วก็ดูตัวเองดูมันหลงทางไหนบ้างให้รู้เนี่ยมาดูแลตัวเองโดยแท้อย่างนี้มันก็ทําได้อย่างนี้เี่ย เราหลงเองแล้วก็รู้เองเราทุกข์เองแล้วก็รู้เองเราโกรธเองก็รู้เองล้วบีบเบียนตัวเองแล้วก็เป็นทุกข์แล้วไม่บีบเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ก็หลงม่เป็นธรรมต่อเราผมรู้จึกตัวเป็นธรรมกวาสัมผัส ด, ดูความทุกข์ไม่เป็นธรรมามไปทุกข์เป็นธรรมกวา ความโกรธเป็นธรรมก็ไม่โกรธเป็นธรรมผัวอย่าเปลี่ยนตัวเองถ้าตัวเองมีคนเปันธรรมแล้วก็ไม่ทําต่อคนอื่นได้ถ้าเราไม่เบียดไม่บีบเบียนตนแล้วไม่ก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าเรายังไม่มีธรรมเป็นชีวิตของเราก็ๆๆไม่มีธรรมต่นน อ, อคนอื่นได้ถ้าเรายังเบียดเบียนตนเองอยู่ก็บีบเบียนคนอื่นได้มันเป็นผลอย่างนี้ชีวิตเราเนี่ย คนไทยหกสิบกว่าล้านคนน่ะอย่าปีเปียนตัวแดงได้คนอื่นมันก็จบง่ายๆมันก็จบง่ายๆไม่ยากเอาศาสนามาไหว้ที่กายที่เจออย่างนี้ศาสนาของกายมันวันหิวก็กินข้าวมันร้อนก็อาบน้ำมันหนาผมองผ้ามันเหนื่อยก็พักพ่องมันก็เยื่อได้อย่างนี้กาย เืองของใจก็เปลี่ยนได้โยเวลามวันทุกก็เปลี่ยนไม่ทุกได้โยรู้เปลี่ยนไล่เป็นดีหรือว่ามีศาสนาถ้ามันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธได้โยหรือว่าศาสหาของใจไม่ใช่ศาสหาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เรานะีต้องปไปสอนทำที่มังกีนมา ก็ว่าคนกินไม่มีศาสนาเก้าสิบเซคนรุ่นใหม่หลังจากเลยกว่าเอาอะไรเป็นศาสนาเล่าเอาการอ้อนวอนเป็นศาสนาหรือเอาพิธีตีตองเป็นศาสนาหรือเอาวัดว่าอารามเป็นศาสนาหรืออัก็มีวังการศาสนาจริงๆคือชีวิตเหล่านี้เรามีการมีใจนี้ เร่องของใจก็ก็เปลี่ยนร้ายเป็นดีมีสติมีปัญญาเอาชนะต้อมหลงด้วยความหลงปัญญาเวลามันทุกข์เปลี่ยนไปความทุกข์ปฏิบัติเราทุกข์เป็นยกตนออกอยทุกข์เป็นเรีย ว, ว่าฌานาแล้วถึงปัญญาจนถึงไม่มีปัญหาหรือ ว, ว่าพุทธศาสนาเจริญจนถึงมรรคผลนิพพาน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 แม่สลวงตา อ, อายุมากแล้วก็ยังมียงร่อนวิชาเรื่งนี้อยู่ยังไม่ยอมเจ่ใครบังกิน <c oughs> ไม่ยอมเจ่มีเพื่อนมียงไม่อยากให้ไปก็ไปได้ไม่รู้จักเหนื่อยนะการบอกความจริงเนี่ยไม่เจ้าก็ไปพูดที่สรารานาแต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันมา มาวันแรกไม่เหนื่อยนะมาถึงตีสองออกจากรินมาตีห้ามาถึงนี่ทีสองวันใหม่มาถึงทีสองก็ไม่นอนเลยได้ยินข่าวว่าพวกเรามากันจมว่วก็เลยสดชื่นใจก็ไม่นอนเลยแต่วันต่อมากืไม่นนอนมากขึ้นเนี่ย วันที่สองก็เหนือ่อยนอนไม่จะมาทําวัดเลยอ่อนไปเลยถอนวันนี้ก็ไม่เหนื่อยแล้วนี่ธรังวัดเสร็จแล้วก็จะไปสอนทาที่ผู้เขาทองอีกนะเพราะฉะนั้นยังมีร่อนวิชากรรมฐานอยู่เพราะต้องบอกกันแล้วเันเรื่องกระือร้นี่จุดเลยเพราะเราจากักกระตือร้นหมายที่ปล่อยตัวเองเป็นโรคเตือนร่อนอยู่หลงอยู่ มันน่าจะช่วยตัวเองนะมันล่าสมัยถ้าหลงถ้าโกรธถ้าทุกข์อยู่มองไม่ใช่คนแล้วมันก็ไม่มันก็เบียผลนะชีวิตของเรามันไม่เหมือนสัตว์ในฉาบมันมีสมองมันมีภพภูมิต่างๆไปตงโลกเป็นเปเป็นสุรกายได้นี่เราเป็นมนุษย์แล้ ว, ป, ว, ลวประเสริฐแล้วรับความทั่ว์ทำความดีได้ ใช่สิทีิอันนี้การ่าประมาทตัวไม่ประมาทเนี่ยเป็นชีวิตของเราท่าเจ้าทรงสงสอนเป็นอาวาตทั้งสุดท้ายต้านังหลายจงทำาไม่ยังก็ไม่หมอดให้ถึงพร้มอามเปิดอะยังคาถาคาตัปัจฉิมวาจา นี่เป็นมวาจารย์พาพสอข้องเราขั้งสุดท้ายแล้วกงแปพระประมาทนี้เป็นธรรมใหญ่เหมือนรอยเท่าของช้างใหญ่กว่าอยเท่าสัตว์ทั้งหลายเอาลอยเท่าของสัตว์ทั้งหลายมารวมลงอยรอยเท่าของช้างลอยกวางรอยแจ้งรอยหมูรอยจัดอะไรมารวมลงได้ก็รอยเท่าวันใหญ่ใช่ไหม เป็นอยใหญ่ถ้าเหยียบเป็นหลมก็หลมใหญ่รอยเท่าหัวไปลองมันก็หลวมได้ไม่เล็กลงที่ด้านหมดเลยส2ขสอนขาวพเจ้ารวมลงที่ความไม่ประมาทคือสติจำชัญญานเองเราจึงมาทำตอนนี้การเมื่อไม่ประมาทตองนี้ก็ไปได้เรีวยกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ย อ๋ก็อยู่กับเราแท้ๆวิธีกรรมฐานที่เจ้าทรงสั่งสอนก็นในพระองค์ูดตอนคู่แขนเข้ามีสติการเหยียดฉันออกมีสติการเดินไว้มีสติอายใจเข้าหายใออกมีสติให้มันอยู่ที่กายก่อนอย่าเพิ่งไปเกี่ยวกับจิตให้มีสติไปในกายก่อนให้มันเชื่นแข็ง มือนเราเรียนหนังสือต้องมีเกรดดีพวหนึ่งปวสองพวสองเกรดมันดีไปมพอเข้ามหาวิเลยได้ง่ายพร้มหลงมันรู้ทํำไมเกรดมันดีเรียกง่ายที่จะหลงพอฝึกไปฝึกไปเมึงให้ที่รู้ได้เหมือนเราเรียนวิชาทางโลกบางทีพอเห็นแล้วก็รู้ได้ มันก็ทําหน้าด้วยถ้าไปหาตรงเล่มก็ไปไม่ไหนไปไม่ได้เลยโซ่ม่แก้คนแจ่ไม่เค่หลงจนตายทุกคนตายโกรธจนตายมีเหมือนกันแต่บางคนที่ฝึกตนสอนตนมีความหลงครั้งสุดท้ายมีความทุกข์ครั้งสุดท้ายมีความโกรธครั้งสุดท้ายได้คือวันนี้ทำไม่ทุ ก, กันแล้วก็วมไม่โกรธกันแล้วก็วมไม่หลงกันแล้ว เมีตม่ตใมตจากุณาเข้าไปแทนปิดใจมันก็เป็นที่พึ่งพาใสโอปุนญายได้ที่นี่ขอเป็นเมตในเรื่องนี้จะไม่พาลงที่สงทางจ่พูดตรงนี้จะสอนมีกันเรื่องเงินไม่รู้ต้งหลายรูปมาแล้วจบมาสงๆงกับตั้งหน้าอเู่นี้ก็มีจบปัญญาหลายรูป เจ้าว่าก็จบธรรมศาสตรตองเจ้าว่าก็โตธรรมศาสตรอาจารย์ต้งือก็จบจากปยับลูกกันมาแต่กรรมฐ า, านนี้ไม่มีสถาบันไหนสอนมีกลายเป็นสถาบันเราจะขึ้นป้ายไปหนา้าวัดสถาบันสติปัฏฐานก็คือชีวิตของเรานี้ไม่เอาวิชาการไม่เอาอาคาร อะไรมาเป็นสถาบันเอาชีวิตของเราเป็นสถาบัมันจบได้เราก็เห็นอยู่กายจัการะไม่ใช่จัดปุกคลตัวนเราเขา เ, า, าเวทนาจากเวทนามันก็เห็นอยู่เนี่ยต่อหน้าต่อตาเรานีา้แต่ก่อแล้วโอกายมัไปเป็นตัวเป็นตน ความร้อนคือกูร้อนความหนาวคือกูหนาวความทุกข์คือกูทุกข์ความหิวคือกูหิวเรื่ององใจความโกรธคือกูโกรธความรักคือกูรักความชังคือกูชังทําตามอาการของกายของใจเสียเปรียบกันแล้วบางทีเราเียเปียบความโกรธมีบ้างไหมฮะมีไหมสียเปียบความโกรธอะ ให้กูโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางบางทีก็ถือว่าถ้ากูด้โกรธตายก็ไม่ลืมเลยเพาที่เราโปหกว่าเป็นตัวคนตนตฟังเสียเปียบเขาเมื่อ น, นี้ประโยชน์ลายความโกรธอ่ะกูมไม่โกรธมันเป็นธรรมกูเขียนลองดูไม่เต็มไปทั่วมีพายมันหลงกายมันหลงเวทนามันหลงจิด อ, อะไรมาเป็นจิตกรมกดว่าเป็นจิตไม่ใช่เลยจิตไม่เป็นละลายกรมหลงมันมจอนมานิดเดียวมันก็หนีไปถ้าเราไม่ต้อนรับมันแต่นี้เราต้อนรับมันดียึดไว้ควาหวังข้าพึ่งมีไหมนะยึดไว้เป็นหนึ่งมีไหมขึ้นหนึ่งมไหมมันก็นี้สองปีก็มีนะจิดเปงอะไรมัน หอนยาว้นมามันเกิดจากใจที่มันคิดที่เองมันหลงไปความคิดมีสองลักษณะตั้งใจคิดก็มีไม่ได้ตั้งใจก็มีมีไหมไม่อยากคิดมันก็คิดมีไหมเพรานั้นเรื่องมาคิดเนี่ยมีไหมนอนไม่หลักประคองคิดเ่ยอย่างนี้อะน่าจะฝึกตนใงบ้านหรือ ว, ว่าผ่านบ้านเรา เวลานอนก็มอนแก็หลับฝันเรื่องม่ชีจนฝันต่งเกินว่าฝันกลางวันว่าชีดมัน ก, ก็เป็นอย่างนี้ชีวิตเราม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยฝึกขัดสอนท่านใดจะนอนก็นอนแลันหลับก็สอนการนอนแบบฝันเนี่ยแต่เท่าออชั่วโมงก็ไม่อิ่มเนี่ยเหนื่อยตมมางวเนียเป็นเลี่ยวหมดแรง้เนเรื่อ ง, ลงลอพลังงาน พลังงานทางขีดก็คชี้กันพลงานทางรกายเขาทำงานเท่าการพักพอดบ้างหยุดบ้างเย็นบ้างเหมือนกับเส้นทางไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวไม่ใช่เดินอย่างเดียวหยุดก็มีเหมือนกันบางโอกาสหยุดถ้าไมาหยุดก็อนตร า, ายไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวนะใช่ไหมรถเนี่ยเขาเขาซ้อมให้มันวิ่ง แล้วต้องทําให้มันหยุดได้มันจึงเป็นรถใช้ได้ใช่ไหมถ้ารถคันไหนมีแต่วิ่งอย่างเดียวหายใจชีวิตเราก็เหมนกันล่ะต้องหยุดบ้างต้องเย็นบ้างไม่มีความเย็นอยู่ในความร้อนในชีวิตเราไม่มีความอ่อนเย็นในความชื่อไม่มีความเชืน่นมแขงอยู่ในความ อ, อ่อนแรงมีความอดทนในความ เกียรติค้านมันมีตรงกันข้ามหัดตอนสอนเจ้าหนี้เรามีประโยชน์บ้าทีเดียวคนไทยทั้งชาติเตียแล้วก็มีลูกบีบบี้มีเพื่อนในบ้านกันทั่วไปแม้แต่ม่พระก็ยังก็ยังเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อยากจะบอกจะสอนคนมันอย่นี้มันนี่มันดีนะ เขาทำไมเขาหลงไม่หลงใจก็จะได้ไ น, นะทําไมเขายังโกรธไม่โกรธก็ได้เนนะี่ยนะขอให้เปลี่ยนได้หน่อยแต่มันช่วยกันมาได้ต้องช่วยตัวเองเอาเองเวลาหลงก็เปลี่ยนก็หลงไป็นความรู้ซะเรามันทุกข์เปลี่ยนก็ทุกขเป็นควมไม่ทุกข์ซะเหมือนหน้ามือหลังมือเนี่ยมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ผลได้จริงๆนะนี่เรา รับผิดชอบเรานี่การสุขโตรู้จักหมายสุขโ ต, ตคืออยู่ดีไปดีมาดีมีความุไม่เบียดยันตะเองไม่เบียนคนเดิน